หลังพระธรรมเทศนาโมงมหาบาลเป็นสำคัญทรงเทศนาอนุปพิกถา5ห้าคือหนึ่งทานกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. สองศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สาสักขะกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์สี่กามาทีนวกถาว่าด้วยโทษและความตำแามของกรมห้า เนคคำมานิสังสกถาว่าโดยอานิสงส์แห่งการลีกออกจากการมเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตริดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกคล้าวไปได้วยทุกข์และโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบทอย่างพระศาสดา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 ปลาดใจใช่พี่จะบวชเขายืนยันบวช ท, ทําไมพี่พี่ยังหนุ่มยังอยู่ในวัยอันควรบริโภาคกามอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริโภาคกามถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่มหาบาลทวนคําบ้างบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อํานวยกําลังวางชาถดถอยสมณะกิจเป็นภาระหนัก เหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกพนวดตั้งแต่พระชนอายุเพียง29ยังหนุ่มแน่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเทรไรมหาบาลก็หาฟังไม่คงยืนกรานจะออกบทอยู่นั่นเองขณะที่จุลบานร้องให้คร่ำครวญอยู่มหาบาลก็ตัดใจไปโศนักพระาศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทเมื่อบทแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบห้าพรรษาได้นิสัยมุตตะคะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณะธรรมทำกิจของบรรปจิตให้สิน้นจึงเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าค่าธุระในาศาสนาของพระองค์มีเท่าใดดูก่อนภิกษุ ธุระในศาสนานี้มีสองคือคันถธทุระอย่างหนึ่งวิปัสนาธุระอย่างหนึ่ ง, ง, งข้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันธทุระอย่างไรเรียกวิปัสนาธุระดูก่อนภิกษุการศึกษาเล่าเรียนทำวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อไปเรียกว่าคันธทุระส่วนวิปัสนาธุระนั้นคือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แลภิกษุคือธุระสองอย่างในศาสนาของเราข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าบวชเมื่อแกอายุมากแล้วจะเรียนคันถาธุระอยู่ก็เป็นการชักช้าจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสนาธุระให้บริบูรณ์ขอได้โปรดประธานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดมีข้อหน่าสังเกต ต, ตอนนี้หน่อยหนึ่งว่า เมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังหนุ่มอยู่แต่ตอนทูลขอกรรมฐานพระาศาสดาพระมหาบาลทูลว่าท่านบวชเมื่อแก่แล้วในบาลีไม่ได้บอกอายุที่ท่านออกบวชว่าเท่าใดจึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าท่านหนุ่มหรือแก่กันแน่พระ้าออกบวชกับตอนนี้ห่างกันห้าปีสมมติว่าตอนออกบวชอายุยี่สิบห้าต่อมาอีกห้าปี คนอายุสามสิบจะรู้สึกว่าตนเป็นผู้แก่แล้วได้หรือไม่หากเป็นัตรีอานมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ผู้ชายคนอายุสามสิบปียังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างจริงใจว่าตนแก่แล้วพระ ม, มหาบาลอาจรู้สึกว่าท่านแก่เพราะท่านเป็นพระที่ต้องการความหลุดพ้นหรือตอนที่ท่านอ อ, อกบวชท่านอาจเริ่มย่างเข้าสู่วัยชราแล้วเช่นสี่สิบห้าแต่น้องชายของท่าน ยังมองเห็นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่จึงกล่าวเช่นนั้นโปรดพิจารณาพระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอาราหัตผลได้เสมือนมารดาให้สเสบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันดา่านพระมหาบาลทูลลาพระศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปกันเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าได้เพื่อนร่วมเดินทางหกสิบรูปเดินทางไปห่าง เชตวันวิหารหนึ่งอยี่สิบโยชน์ถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่ตาบลหนึ่งตอนเช้าเข้าไปบิณฑบาตชาวบ้านได้เห็นอาการอนาลเลื่อมใสของพระทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นประมุกแล้วเกิดความเลื่อมใสจัดอาหารถวายและถามว่าท่านจะไปที่ใดเมื่อพระตอบว่าต้องการแสวงหาที่อันผาสุกในการบำเพ็ญสันธธรรมชาวบ้านผู้ฉลาดรู้ดังนั้นจึงอาราธนาขึ้นว่า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 พระก็เข้าไปรับอาหารมินทบาาในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ปรนนธาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บไข้เด็ดป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเถีรัได้ถามภิกษุผู้ร่วมประชันว่าในพรรษานี้จะอยู่ด้วยอิริยาบทท่าใดภิกษุทั้งหลายตอบว่าจะอยู่ด้วยอิริยาบทสี่ คือยืนเดินนั่งนอนพระมหาบาลกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาแล้วไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปานผู้ประมาทอันหนึ่งประตูแห่งอบายสีคือนรกเปรตอสุรกายและกำกำหนดสัตว์เดรัจฉานเปิดอยู่เสมอสำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยจงเร่งบำเพ็ญสมณธรรม พ่ท้าเหล่าจักจูด้วยอิริยบาบถท่าใดภิกษุทั้งหลายถามข้าพเจ้าจักจูด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินและนั่งเว้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทำตามนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายทราบข่าขวก็ร้อนใจไปตามหมอซึ่งปรนนธาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่าน แต่ท่านมายอมนอนหยอดคงนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบินทบาทในวันรุ่งขึ้นพบหมอหมอถามท่านว่าได้หยอดยาทางจมูกหรือไม่โปรสังเกตว่าหมอประกอบยาตาให้ท่านหยอดทางจมูกหาหยอดทางตาทีเดียวไม่ท่านตอบว่าหยอดค่อยดีขึ้นหรอหมอถามไม่ดีขึ้นเลยอุบาสว์ศกยังเหมือนเดิมท่านตอบ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 ขอให้มั่นคงในสัจจะปฏิญานอย่าละทิ้งอุดมคตินั่นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจดวงตาหาได้ง่ายกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเราพร้อมด้วยดวงตานั้นมีนับครั้งไม่ถ้วนแล้วท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทําความเพียรด้วยอิริยาบถสามต่อไปไม่ยอมนอนพอร่วง มัจิมยามไปคเลคลเลยตีสองไปแล้วดวงตาของท่านก็แตกพร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระอราหันต์สุขวิปัสสุกผู้หนึ่งดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลงทันใดนั้นดวงตาคือปัญญาก็พุ่งโผล่แจมจรัสขึ้นบริสุทธ์ไร้รมนถินเมื่อถึงเวลาออกปินฑบาตภิกษุทั้งหลายมาชนท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้เสียแล้ว ตาบอดหมดแล้วพิกษุท์ทั้งหลายจ้องมองดูดวงตาของท่านเห็นบอดสนิทรู้สึกเศร้าสลดใจจนน้ำตาไหลได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกังวลอะไรเลยพวกกระผมจะปฏิบัติท่านนี้ให้ลาบากดังนั้นแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านมาเห็นพระเถระจึงถามทราบความแล้วเศร้าสลดไปตามๆกันส่งข้าทมไปถวายท่านก่อนแล้วนาข้าวสวยไปด้วยตนเองในภายหลัง เห็นพระเทระแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้คริ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านปลอบโยนและให้คำมั่นว่าจกปฏิบัติบำรุงท่านไม่ให้เดือดร้อนเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้างคนทั้งหลายจึงเรียกขันว่าจักขุบาลแทนมหาบานอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาสสั่งสอนพิชสดทั้งหลายให้สำเร็จมากผล ท่านได้ทำหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จราหัตผลพร้อมด้วยปฏิสามพิทาทั้งสี่ในภาษานั่นเองเมื่อออกภาษาแล้วภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระศาสดานวัดเชตวันจึงเรียนให้พระจักกุบานทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจากเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลำบากแก่ภิกษุทั้งหลายหลายประการท่านจึงบอกอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นเดินทางไปก่อน และขอฝากกราบพระบาทแห่งพระาศาสดาด้วยเสียงกล่าวพร้อมด้วยฝากนมัสการพระมหาสาวกทั้งหลายอันหนึ่งหากพบน้องชายก็จงเล่าความเป็นภัยของข้าพเจ้าให้เขาทราบเขาจากสั่งใครคนใดคนหนึ่งมารับข้าพเจ้าจากเดินทางไปสาวัตถีกับบุคคลผู้นั้นสหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอให้ขอให้เดินทางปลอดภยัยภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริขารอันควรเก็บ แล้วเวลาชาวบ้านพวกมีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวถีวันรุ่งขึ้นออกบินทบาทไปยังบ้านของจุลบาลน้นองชายของพระเทระเขาเห็นภิกษุหม้นั้นแล้วจําได้จึงถามถึงพระพี่ชายสราบความแล้วเสียใจร้องไห้ท่านบอกมาว่าให้สงใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอกได้พระคุณเจ้านี่หลานชายของข้าพเจ้าจะเป็นผู้ไปรับท่าน ไปอย่างนี้เห็นจะไม่เหมาะพระว่าทำไมครับในระหว่างทางมีอันตรายมากแล้วคุณจะทําอย่างไรควรจะให้บวชไปเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ศึกเสียก็ได้เป็นอันตกลงตามนั้นพระเรานั้นจัดการให้หลานชายของพระจักกุบาลบวชเป็นสามเณรฝึกกิริยาอยู่ประมาณสิบห้าวันและบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่ง นำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักกุบาลทราบ พ, พักอยู่ประมาณสิบห้าวันจึงทวนพระเถระกลับสาวัถีพระจักกุบาลส่งปลายไม้เท้าให้เนียนจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านคอนเพื่อลาชาบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สําเร็จจึงพากันมาส่งท่านได้หน่อยหนึ่งร้องให้คร่าครวญขับสู่ที่อยู่ของตนสังเกตว่า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 พระเถระว่าขอให้รออยู่สักครู่เธอจะไปทำธุระเล็กน้อยแล้วปล่อยปลายไม้เท้าพระไปพอสามเณร จ, จากไปสักครู่หนึ่งเสียงนั้นก็หยุดเนนได้เสกเมทูลกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จธุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนทำลายศีลของตนเสร็จแล้วเธอไปทำอะไรอยู่นานเหลือเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมก็ถามสามเณรนิ่ง พระเถระถามหลายหนแต่เน้นไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่าเธอไปเสด็จ อ, อ, อย่าจับปลายเม้เท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไปไม่ควรนําทางฉันฉันไม่ปรารถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายไม้เท้าฉันฉันไม่ต้องการเดินทางตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปื้องกีวร อ, ออกหนุ่งห่มผ้าขาวอย่างเครือขัดพลางกล่าวท่านลุงปัตนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นเครือขัดแล้ว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 ฉันจะนอนกลิ่งเกลืกตาอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตนกอดแขนข้าโค ร, ครวนวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจั ก, กุบาลเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่าว่าเท้าส ก, กะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชั้นดาวเดินเกิดร้อนใจพระเดชแห่งศีลของพระมหาเถระ จึงทรงเร็งแลลงมายัางโลกมนุษย์ได้เห็นพระจักกุบาเลเถระกําลังลําบากจึงเสด็จลงมาช่วยนําทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเถระพระจักกุบาลได้ยินเสียงฝีเท้าคนจึงถามว่าเป็นใครข้าพระเจ้าเองเป็นคนเดินทางเท้าส ก, กะาอกท่านจะไปไหนบาศกจะไปเมืองสาวัตถีพระกุณเจ้าและพระคุณเจ้าเล่าจะไปไหนอาจมาจะเป็นเมืองสาวัตถีเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นนิมนไปกับข้าพเจ้าเถิดอัตมาเป็นคนตาบอดท่านเดินทางร่วมกับอัตมาจะทำให้การเดินทางชักช้าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีกิจธุระรีพร้อนอะไรอันหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าพเจ้าก็จะได้เหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งในสิบประการนั่นคือวัยยาวพระจำหม่บุญอันได้จากการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอ พระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสัตบุรุษจึงส่งปลายไม้เท้าให้ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกสนและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าเท้าสาก่าย่นเป็นดินให้สั่นข่าวเรื่องเท้าสักกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาสันิษฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จักทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็ว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 เป็นผู้อันเทวดาอุปถรัรมภ์ข้ามชูเท้าสักกะผู้นำทางนั่นเองในพาพระจักกุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วก็ไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจากลั้นความโศกได้ร้องให้กลิ่นเกลือกำพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บวชตั้งแต่แรกจุลบาล เรื่องมันล่วงเลยไปแล้วอย่าคิดอะไรเลยเป็นเรื่องของกรรมพระเถระปลอบน้องชายจุลบาลทําเด็กทาตสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาตแล้วให้บวชเนยอยู่ปรนิบัติพระเถระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากกลางถิน่นมาสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระาศาสดาเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจักกุบาลบังเอิญฝนตก จึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามจุดในมัชฉิมยามพวกมแมลงค่อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปัจฉิมยามพระจักกุบันเถระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอ า, มาแมลงค่อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกว่าที่จงกรมพวกภิกษุอาคันตุกะ ก, ก็มาเยี่ยม เห็นแมลงค่อมทองตายเป็นอันมากจึงจึงถามว่าเป็นที่จ ง, จงกรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักุบาลจึงติเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณะเมื่อตายยังดีอยู่มัวนอนหลับเสียไม่ทําสมณะธรรมอันควรทําพอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทําสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจะทําประโยชน์กลับทําสิ่งอันไรประโยชน์พิกษุเหลาลั้นกลับไปฟาพระศาสดา ทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักกุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าค่าดูกรที่พิสุเธอไม่เห็นจักกุบาลเหยียบสัตว์ชั้นใดจักกุบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอาราหันต์ย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์พิสุทั้งหลายทูลถามว่าถ้จาจักกุบาลมีอุปนิสัยแห่งอรหันตผลอยู่ฉนัยจึงตาบอดพระศาสดาตรัสตอบว่า กํากรเก่าแล้วทรงเล่าให้ทิสุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพราราสีมีหมอยาคนหนึ่งที่รักษาคนไข้อยู่ในบ้านต่างๆนิคมต่างๆวันหนึ่งเขาได้พบหญิงซึ่งตาเมื่อดมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแกเขาบ้างหญิงนั้นตอบว่าตนพร้อมทั้งบุทดาจะยอมเป็นท่าของหมอหมอจึงประกอบยาให้ และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อหายแล้วกลับปรับคิดจะบิดพลิยวไม่ยอมเป็นท่าของหมอตามสัญญาเมื่อหมอถามจึงแซงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตาเธอเจ็บน้อยหลังจากหยอดยาของหมอแล้วเจ็บมากขึ้นหมอรู้ทันทีว่าหญิงนั้นไม่สื่อไม่ต้องการให้ค่ า, าจ้างคนอย่างนี้ต้องทาให้ตาบอดเสียคิดแล้วกลับไปบ้านประกอบยาเสร็จแล้วบอกให้พัญญาทาบ แต่ปัญญาของเขาไม่ได้ห้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยาน้ําให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักขุบาลพระศาสดาตรัสย้าว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราคือพระจักขุบาลทําแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผลกรรม อันบุคคลทำแล้วย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคชนันพระศาสดาตรัังนี้แล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตต่อมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสาคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นความทุกข์ก็ติดตาม เหมือนล้อเวียนหมุนตามรอยเท้าโคชนัน